ครอบครัการเก่าคนแก่นะเนี่ยอ่าอ่าโอกาสนี้ฟังธรรมกันตามการตามเวลาตาลีนะธรรมสวนังเหตุธมังกัลโมธรรมังการฟังธรรมตามการตต่เวลาเป็นองค์คนสองสุด การไดธทำมชววันนั้นทำมากักชาเอต่างมังกลมุตมังการศึนษาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลในสูงสุดจีวิตเรต้องพัฒนาต้องศึกษาต้องพัฒน า, า, ฒนาให้มันดีกว่าเก่าอาศัยการได้ยินได้ฟัง มีผู้พู ด, พดมีผู้ฟังฟังหูวไวหวูอย่าด่วนรับอย่าด่วนไปเชษดางอย่างฟังแล้วออกไปทำาอาไปทำดูบางอย่างฟังแล้วคิดดูเรามีกายมีใจมีหู ได้ยินเสียงยินเสียงบอกเสียงเตือนเราก็ได้วัดเรียนได้ความรู้นต่เราไม่ฟังไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนหูหนวกคนตาบอด เมืเราไปเรียนหนังสือในครูออ ก, ออกู็บอกก็สอนก็ไกลขอไข่เราก็ได้ยินครูก็บอกให้เราหัดเขียนเราก็หัดเขียนหัดเขียนก็ทั้งเห็นทั้งั้งได้ยินทั้งหัดเขียนอันเห็นเป็นเสียงหู เออเป็นเสียงเป็นเสียงตาการได้ยินเป็นเสียงของหูก็หนัดเขียนเป็นเรื่องของกายมันจึงเป็นเขียนหนังสือเป็นอ่านหนังสือออกลู่ตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปมีคนบอกไม่ต้องหงัดมันเป็นแล้วตัวหนังสืออยู่ใน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 หลังเสือก็ไม่ออกเขียนเสือก็ไม่เป็นแต่บางอยากก็หัดพูดเาสาให้มันถูกต้องปะทักขีนังปะทักขีนังให้มันเป็นทัศไม่หันจะคอไก่ปะทักขีนางปะทักขีนาง ปะทาขีดางปทาเแข็งืิลลาไปหมะาให้มันเสียงไม่หันแ จ, จ้งลาลลาะโมตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะทัสะนะให้ามันถูกต้องเยวาวตัตสะสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่ต่อตัดตัวเต่าไม่หัน ตต่าเป็นเป็นทอธงทัศกามีสุเมชาจะลาไม่ใช่ไม่ใช่สละกามีสุเมชาจาลาเวละมันิีไม่สละสละสละว่าหาให้มันถูกต้องหายมันเพี้ยนไปการสาวิปริตแล้วก็ไม่ สมบูรณ์เช่นการอุปสมบทกรมเนะ่เพี้ยนไปได้ที่ว่าอุปสมบทพิบัติโวชาต้องฟังภาษากำวาาจารย์สวดให้มันถูกต้องการเรียนการลู้การหัดเนะี่ยต้อง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 <c oughs> ให้มันเป็นตัวรู้ก็าปล่อยส่วนไหนที่มันจะเกิดความรู้ที่เป็นวัตถุเอากายเอาลมหายใจเป็นลมหายใจเป็นของหยาบลมหายใจเป็นของกลางกลางแต่ความคิดเป็นของละเอียดอัดจับความหยาบไปก่อน แล้วก็หัดทำกลางๆลมหายใจแล้วค่อยไปหัดจิตที่มันคิดให้มันรู้ก็มันเหตุกายไปฝึกไปกับกายมันก็รู้ได้ดีแล้วมาหัดไปกับลมหายใจมันก็รู้ได้ดีหัดไปกับความคิดก็รู้ได้ดีอ่านรู้อันเก่าอ่านความรู้ที่กายมันก็คือความรู้ ความรู้ที่ลมหายใจก็คือความรู้ความรู้ที่ความคิดที่มันเคลื่อนไหวก็คือความรู้โดจทั่วก็ไม่มีทั้งหมดเลยลมหายใจก็ไม่มีกายก็ไม่มีจนคิดที่มันทําให้รู้จะต้องฝึกหัดกับความรูกก้คือที่มันคิดไม่มีเพรามมีตัวรู้หมดแล้ว เมือนก็เราเรียนหนังสือไม่ต้องไปอ า, อาศัยสมุดปากกาอาศัยกระดานแล้วก็รู้อยู่แล้ว จ, จากโคตรจะดจะีาจิจเขียนก็เขียนได้ทันทีต่อันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นตัวรู้มันเป็นคือว่ามันเป็นนั่นแหละแล้วกับ บหลุดผู้ฝึกโคถึกโคก็มีอนผู้ฝึกก็มีจะฝึกโคถึกแต่ถังไม่ฝึกก็ใช่ไม่ได้โคแต่โคดั้นถึงแม้มันจะถึกดุร้ายขนาดไหนมันก็ก็จะสอนได้ถ้ามีที่จับอยู่ มีเสกห้อยจมูกมันอยู่โกถึกตั้งตัวสีดำปื๊ดแต่ว่ามีขาวๆตรงจมูกมันนิดหน่อยมืนกับจิตใจของเราที่มันโดดไร้แต่มันก็ไม่มีโดดไร้เสมอไปมันไม่หลงเสมอไปมันไม่ทุกข์มันไม่โกรธเสมอไปมันมีช่องสางสาอยู่ อัดตรงที่มันสางซามันเป็นจั ง, ง่นั่นจุดขาวจุดที่มันไม่รู้มันมืดทึบนั่นเป็นจุดปอดเป็นจุดดําเป็นบาปเป็นกุลกุศลแต่บุตรก็ต้องหัดจับมันดูก่อนวิธี่จะจับโคถึกได้ต้องมีเครื่องล้อเอาญ้าไปล้อเมื่อลอก็จับได้จับที่แรกก็วิ่ง เราก็ดึงสู้มันไม่ได้ปล่อยมันไปก่อนย่อนยอนยอนยอนเชือกมันเราจับหัวจับควย ใ, ใหม่ย้อนย่อนไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำกบมันแรงแล้วก็ค่อยเดึงดาไปมามาไม่เคยเชื่อกจิตของเราไม่เคยสอนลรวก็ มันก็เป็นขยน ض บ้างมันชิดจากนานชิดทางนี้มันในอารมณ์เป็นอาการที่เกิดกับกิดมันเคยตัวเคยชินแล้วก็สอนมันมันวัวเถิดที่มันโคเถิดที่มันวิ่งไปดึงมันไว้สักหน่อยให้มันรู้จักเติง แต่ก่อนไม่รู้จัเดึงอะไรจะไปไหนก็ไปต้องเที่ยวไปในวัตฏะอะไรได้หลานกับเราปึกตัวเรานี่แหละชิดไปกลับมานะ่ในเชือกคือสติม่วัตถุปกรณ์มีกายมีใจ <c oughs> เป็นหัวทั้งหัวโคถึกต้องเชือกั้ง คนจากไปรู้จักดึงรู้จักหยุดรู้จักปล่อยก็มารู้จักเชือกว่ามันกส็สีขาวขึ้นมาเต็มหน้าโอ้มันมีตัวหลงมันมีตัวลูกมันมีอันวัวขัวเถือกตัวนั้นสีขาวขึ้นมาตรงหน้าแล้ว เปิปเปิดไปเปิดไปอาจจะวางเชือกบางทีหัดให้มันเดินข้างหน้าหัดให้มันเดินตามข้างหลังให้มเดินไปทางซ้ายทางขวาหัดให้มันไปหัดให้มันหยุดงั้นเราสอนวัวสอน วัยที่เราหัดหมยนั่นแหละหัดจิตหัดใจของเราก็หวานกันมันไม่อยู่กับกายมันหนีไปมันก็โขโคถึกควายถึกมันอยู่ในโคแต่บ้านแมอยู่ในอำนาจเรามันก็ใช้มันไม่ได้ใช่งานมันไม่ได้เราจะมาหัดให้มันใช้งานได้ ถมันหมดประโยชน์หมดพิษจิตใจของเราเหมือนกันกายของเราก็เหมือนกันยังมีพิษต่อกายมีพิษต่อใจใจมีพิษต่อใจกายกายก็มีพิษต่อกายกายมีพิษต่อใจใจมีพิษต่อกาย <c oughs> นั่นเลยว่าไม่ได้ฝึกการสอน ตัวเองก็เหมือนกันอะไปมาจากสีดำค้อยขาวถึงคอถึงขาหน้าถ้ามันขาวตงถึงกลางตัวเลยครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งไปแล้วอาจจะปล่อยเชือกจะปล่อยเชือกได้ บางทีมนก็เดินบอกขึ้มาินไปข้างหน้านก็เดินไป <c oughs> ให้มันเดินตามมาก็เดินตามมาเขาไปถึงขาหลังเจ้าของนอนมันก็นอนด้วยเจ้าของลูกก็ลูกด้วยเจ้าของไปไหนก็ไปด้วยไม่ต้องสอนมัน ต่อไปขาหมดทั้งตัวเจ้าของคนเฝวก็เวลามานอนขี่หลังชี่หลังโคได้เปาคุยเอ็นไหมขี่โคปูขวีนะได้รำ น, นอนเรานั่งหลังโคนะั่นปูขว โ, โ, โ, โตโตโตได้ไม่ได้มีพละแล้วโคเถึก หมดประโยชน์แล้วแต่นนเราฝึกตัวเองเวลานอนก็นอนเวลาไปไหนก็อยู่ด้วยกันเฉพาะเรื่องผ <c oughs> นที่สุดผนที่สุดผลที่สุดคนก็หายโคก็หายว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัตนนั่นอาวะา็ไม่มีไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นแล้ว กหหายไปคนหายไปไม่แต่ว่างว่างเนี่ยเราจะไปสร้างจังหวะไปเดินจงกรมเวลาเจ็บไข้หรือป่วยไม่ได้ไมันมีการเกิดการแย่การเจ็บกา ร, กา ร, กา ร, การตายอยู่แล้วก็มีก็มไม่แย่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายอั น, นละคือว่างเปล่า โคก็หายคนก็หายผู้เก็บก็มีผู้แก่ไม่มีผู้ตายก็ไม่มีอันนี้เห็นภาพมาจากทิเบตการสอนศาสนาแบบทิเบต <c oughs> เ, อเอาเรื่องโคกับคนเงาเป็นบุคลาทิษฐานแต่ก่อนเราก็มีภาพที่ เป็นภาพสไลด์เครื่องสไลด์สไลดยก็มีอยากจะดูไหมจะมาฉายให้ดูห <laughs> นังมีโยไม่ไม้พูดเอาเฉยๆได้หลักฐานมาอย่างนี้ <c oughs> สไลด์นี้เอามาจากสวนโมกหลงหอศพทางวิญญาณเขาคัดถ่ายออกมา ากที่เบการเปึกเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่จะมาอด เ, อเวลามันโกรธไม่ใช่เลยมันโอที่มันผลึกได้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นภาระเชื่องแล้ว แต่ายใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันจึงเป็นประเสริฐเป็นจตประเสริฐเจวดาเป็นอินเป็นพรมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงจะได้ถึงมรรคผลนิพพานเพราะมันมีหลงมีรู้ <c oughs> มีสุกมีทุกข์ร้อยเปอเซนต์ทุกคนค่อยหลงทุกคนค่อยรู้ทุกคนค่อยสุขคยทุกข์ มีกิเลสตาหาราคะมีภัยบาตรมีตัเลย ส, สงสัยมีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วไม่ค่อยฝึกปล่อยมันไปนั่นก็เป็นโคตรถึกพิษตัวเองให้เจ็บปวดกายก็ทำให้กายเจ็บปวดใจก็ทำให้ใจเจ็บปวด เป็นโรคไผ่ค่อยเจ็บจนเกิดขึ้นในโลกทุวกวันนะโรคเออด่างโรคอะไรต่างๆสรรพัสอย่างเกิดจากคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นโกเมอญเกิดจากคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเหมือนต้นไผ่เป็นด้ามให้จอบให้เสียม มันก็เอาจบว่าเสียมาวันก่อภัยอีกคุยภัยผู้ภัยภ ย, ย่อมข่าก่อภัยฉันเลยตามมหาจรดรก็ข่ามหาจดอนเองข้อยก็ยอมข่าตนค้อยเองไปลำลอกโลกออกผลก็ต้องตายแต่ว่าคนไม่เป็นเช่นนั้น มันประเสริฐกว่านั้นแต่เ า, ามันหลงไม่หลงได้อยู่เวลามันโกรธไม่โกรธได้อยู่เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อยู่เวลามันเกิดเจ็เจ็บตายไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายได้อยู่คือธรรมะคือมันไม่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไรตอมันเห็นตั้งแต่ได้หลักฐานตั้งแต่กายสักว่ากาย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 หลางตาสอนทมดีๆคนก็หลังเกียดมันมีอาการมันเบื่อไม่อยากฟังทำบางทีพะสวดจะถาปไปจังเวลาฉันข้าวเวทบาโตจะปกโรนิ จ, จโจนิชีโวนิสโตสนโยแต่ปเป็นภาษาไทยด้วย เป็นของน่าเกลียดจังยิ่งไปแล้วกันอาเกลียนออกก็มีบางคนกนะ็ พ, พูดอย่าถาไปจังจหวรับางโลกมาบอกโอยอย่าพาสวดเถะองพ่อมันอาเกลียนเป็นฉีเหร่คนไม่อยากฟังเวลาสวดเฉยๆก็ปงแต่งไปจนถึงอาเกลียนออกกูด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 เป็นประโยชน์ได้ใช่ไม่ถูกก็เป็นโทษบางทีสอนดีๆห้ามไม่สุโภรีก็โกรธห้ามไม่กินเหล้าก็โกรธอย่ามาห้ามผมเลยหลวงพ่อผมอยู่ได้เพราะอันนี้แหละถ้าไม่ให้ผมกินเหล้าผมข่าคนตายวัละหลายคนแล้วราะว่ามันดีถ้าได้กินเหล้าแล้วมันดี ใครมันดีถ้าไม่กินเ่าหวันเดือดร้อนจะาาห้ามผมเลย <c oughs> ตัวใครตัวมันผมรู้ตัวเองดีกว่าแม่หลวงพ่อก็ แ, แม่หลวงพ่อกวนธรรมมาเอาแม่ไปปฏิบัติธรรมที่พุทธยานมัองเลย หลวพมันนำกอดแม่ไปหลวงพ่อกอแม่ไปแม่หลวงพ่อมไม่กินหมากแม่หลวงพ่อมันทํากินหมากพอไปแล้วก็กลอกแม่เลิกกินหมากแม่หลวงพ่อมันทำบอกอ้าอย่ามาหาแม่ถอถ้าไว้กินหมากก็จะให้กินเข่าดีกว่าว่าเอาอย่างนั้นเลย ถ้าไม่แม่กินหมากก็ว่าให้กินข้าวดีกว่าบ่แม่นดอกแม่บ่แม่นจัก่อยบแม่ว่าได้น่ะไม่ใช่แม่พูดนะหมากมันพูดดอกแม่แม่ไปเลยพูดแบบแม่ดอกหมากมันพูดไม่กินหมากก็ไม่กินข้าวหมากมันพูดไม่ใช่แม่พูด เอาไปมาก็ช่วยกันไปช่วยมาเลิกกินหมากได้หน้าแดงกลับบานเลยบางทีก็ถวนกระแสะอย่างรุนแรงเหมือนจับโคจับไปแรกก็วิ่งเชือกบาทมือจนเจ็บแล้วการฝึกตนเดงก็ต้องอดต้องทนบ้าง ไอ้อ่อนโยนในสิ่งที่อ่อนโยนไอ้เข้มแข็งในสิ่งที่เข้มแข็งสิ่งที่อ่อนโยนกลายเป็นการอ่อนแอสิ่งที่เข้มแข็งแทมแข็งกระ ด, ด้างก็ไม่คดีเวลามันหลงลูหัวเลาะยิ้มยิ้มเล็กน่อยเวลามันโกรธยิ้มยิ้มเล็กน่อยเปลี่ยนทิศทางมัน อ่าร้อนเป็นเย็นสักหน่อยเอาไปมามีนิดใสได้ง่ายง่ายนี่การฝึกตนสอนตนนะเราจริงๆเราจะไม่มีแล้วเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเราคนเดียวนะถ้าไม่ัดสาให้มันเป็นเสีแล้วก็จะเป็นทละไป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 ทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงนัมันหาได้อย่างแนชีวิตของเราลนาะขอขอท่าทายชีวิตของเราขอร่วมมือขอพูด ตามพระพุทธเจ้าของเราพระศาตราของเราพระศาตราของเราเห็นเร้่องนสอ น, นรสเรื่องนี้พระสาโบกทั้งหลายก็รู้เรื่องนกันมีแต่ทุกข์ท่า น, น, นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ท่า น, น, นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ท่านหลับไปอาจจะเหลืออะไรบ้างเมื่อทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์หับไปก็ไม่มีอะไรเหลือ อย่างเราสวดพระสูตสรสาจยายพระสูตรอดโยย่ออบายานขันทั้งหเป็นตัวทุกรูปังอนิจจังเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาสังขารอานิจจาวิญญาณังอนิจจาอานิจจังอนัตตาอานิจังไม่เที่ยงอนัตตามใช่ตัวตนจึงได้เป็นนิจจัง จก่งใดเป็นอนัตตาจะแสดงว่าใช่ไม่ได้เปลี่ยนได้เอามาเป็นปัญญาอานิจจาเอามาเป็นปัญหาเป็นทุกข์เป็นโทษอนิจจามาเป็นปัญญาอนัตตาอนัตตามาเป็นปัญญาอนัตตามาเป็นทุกข์เป็นโทษ เราเฉยใจร้องให้เพราะอนัตตาเราเียใจร้องไห้เพราะอนิจจังในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในสิ่งทั้งหลายท่านเจ้าเอาเรื่องนี้มาเป็นนิพพาน <c oughs> ไม่ใช่ออกมาเป็นปัญหาเป็นปัญญาไปเลยเห็นเรื่องนี้แท้ ตัวเจ้าตัดชะลอริชัดสีห่หตทุกเหตุได้เกิดทุกดอกทุกตอบทุ ก, ดทกได้แล้วเราพ้นภ่านามาทุกวันนี้เพราเราเห็นเห็นงูงูมาได้กัดเราเห็นภัยเราก็ไม่มีภยัยข้ามถ น, นนทางเราเห็นรถเห็นลาแล้วก็ไม่ถูกรถชนเราเห็น อันนี้เห็นเป็นวัตถุในโลกถ้าเห็นที่เป็นปัญญาเห็นแย้งเป็นวิปัสนานันเห็นรอบรอบโลกแลางกานใจอันเดียวกันทุกคนเห็นอันเดียวกันทุกคนก็หมดปัญหาเดียวกันอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็น ก็ไม่เห็นตรงนี้ก็มีปัญหาแต่ตัวเองเป็นหาต่อคนอื่นเลยไปเราจึงมาดูก็ไม่ดูก็ไม่เห็นคอยมันเป็นแล้วเกิดแล้วจึงเห็นมาก็ไม่ทันน่นดีแจ้มาได้เช่นเราเก็บไข้เดรัป่วยจึงไปหาหมอมันก็แก้ได้ว่างแก้ไม่ได้ว่างต้องการดีกว่าการแก้ไขเห็นไว้ก่อน ความไม่เที่ยงเห็นตั้งแต่หนุ่มสาวนู้นตัวไม่ใช่ตัวตนก็มันเขียนมาตั้งแต่หนุ่มหน่มสาวสาวนูนเราเห็นความไม่เที่ยงต่อเมื่อแต่เท่าเวนนังสิรีมาสมัยครัง้งปฏิการไม่ชื่อสิรีบา หลายคนนะแต่ว่าคนงามนางศิริมหาหมายาพระเอราเทวี TV ของพระเจ้าสุโธทนาะสิริมหาหมายานางจิริมามีหลายคน เป็นชอบสวยชอบงามเป็นเครอดีสีของพระเจ้าพิมิสสารเลยใช่ไหม่รูนะ <c oughs> อะแต่ว่าพระเจ้าพิมิสารชวนไปวัดก็อยากไป ก็จะเจ้าหมองอยู่ในห้องในครับตกเนื้อแต่งตัวอยู่เสมอสวยงามเอาเจ้ามี้สารก็ลำพันเรื่องสวยความสวยงามของปีรุวรรณให้สี่มาฟังปีรุวรรณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนนนมีศะสวยงามมีกอไผยอั้นโดงไัยท่านติ๊กน่ะเดินไปทางโน้นนะ สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้นะเออทุกวันเนี่ยถ้ไาไม่เห็นเราจะผิดพลาดโอกาสแล้วมีพระพุทธเจ้ามีเราพระสงฆ์สาวกทั้งร้อยอยู่แถบนั้นสง่างามมีสะรอบสะเป็นถนนหนทาง ทางทิศ ต, ตะวันตกของสะเป็นต้นไม้ใหญ่ทางทิศใต้ของสะเป็นป่าภัยแต่ทิศใต้แถวๆออกเป็นป่าภัยทางทิศเหนือเป็นที่อยู่ของหมูสงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามบรรณาเรื่องความงามของเวทุว้วนให้สิริมาฝง สิริมาก็มามาดูกอมาดูก็พระเจ้าก็เตรียมท่าจะสอนสิริมาก็นิมิตนิมิตเสถาทะลุ ป, ปนังเกิดขึ้นเวลาพระเจ้านั่งพำนักอยู่สิริมามากราบไหวพระเจ้าไปสอนเกิดนิมิต คนงามสาวงามนั่งวังเทศพรเจ้าอยู่ก่อนแล้วจีมาเห็นคนเห็นผู้หญิงคนนั้นสูก้ยงามที่สุดนึกว่าตัวงามที่สุดเราสู้คนนั้นไม่ได้เหมือนนันทะเห็นสาวงามนีแรกก็เรียกว่าเมียของตัวงามพอเห็นคนที่ถึงที่สองก็งามกว่าเมียเจ้า จีมาเห็นคนนะั่นะนั่งฟังเทศเจ้าก่อนงามที่สุดจีมาไม่ได้ฟังผู้เจ้าเทศเลอมองช่องอิจฉาใช่ไหม <c ười> คนงามเนะ่ยอิจฉากันนะถ้าเห็นเขางามกว่าตัวเองก็อิจฉากันน ะ, ะก็หลบเลีกได้หลังตาไปก่อนขี่เหลวเวลาไปจีบสาวนี่ยถ้าเขางามกว่าก็สู้หรอกไม่ดีนะอ่ อาชีมาก็ยึดเหมือนกันนะเห็นพระเจ้าพิษสารก็กลัวพระเจ้าพิษสารจะชอบคนนั้นมากกว่าเราอิจฉาเลยทเอาเยงคนงานก็ดูไปดูไปก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงหน้าเหี่ยวน้องย้อนน้องย้อนงอกขม ออกมาเห็งกันตายไปแกเหม็นเน่าเปิดนิมิตมากระดู ก, กูฟังกลองสิมาสะดุ้งขึ้นมาโอ้เราเนี่ยจะมาเพลิอนอยู่นะความงามของเราไ ม, ม่ไม่ต้องแก่ต้องเท่าต้องเก็บต้องตายหันมาเศ้าหมองสลดใจว่าต้องแก่ต้องเก็บต้องต่ยแน่นอน จะงามขนาดไหนเพจแปลไปได้เป็นเกิดนิมิตขึ้นมาโดยสุดปฏิบัติธรรมไปพาไปชวนพระเจ้าวิสารไปฟังเทศฟังธรรมทุกวันได้บรรลุธรรมเลยใช่ไหมาะความงามแค่ความงามมองเฉยความงามมองเฉยความไม่งามอย่าหลงในความงาม อ่าห ล, ลงในความไม่งามราไไ้ได้ทั้งสองกันะอย่างนี้อ๋อคนที่สิเรมาสิริมาอีกคนหนึง่งคนงามพระสงฆ์น่ะโชคเดินสิรรมาก็แถวไดใจไม่อยู่ไม่ย่อนพราะก็มีจิเลสมันนะเออพระสงฆ์ทั้งปวงน่ะ เก็บใจเพราะเห็นสีมหมากนะ็ชอบสีมหมามากสีมหมาเนี่ยก็เลือกคนงามเมืองนะแต่งานไม่ได้เกิดสงขามต้องเป็นคนกลางกลาใคไม่มีงานไม่ทองก็มาสมสู่ได้เกิดโลกตายลงลก็เล่ารือถึง นทั่วๆไปป่อคนรามที่สุดโจดเยี่ยมที่สุดต่อเลยเอาผู้เจ้าเลยเอาบอกให้ออกมาตายปัจจุบันนะบอกให้ออกมาวางไว้ป่าชาพีดิ์ไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาให้ให้พระไปดูตแต่แรกใจจะเป็นคนนะมีแต่คนต้องการพอตายลงไป โยกหยให้ใกลก็ไม่เอาไหนเ n เน now กินมาลำเวืองนำลำร่อยยกหยให้ใกลก็ไม่เอาโไยสุดพระสงก็เอากิเลสทำอะไรกิเลสตรงนั้นดังแต่ก่อนชอบศิลหมาเป็นจิตเป็นใจไปทีเดียวนัวว่านได้ว่ามองอะไรทั้งเป็นยาสุดตรง มองจนกลางๆตู้สึกตัวไว้อยาให้มันหลงขนาดนั้นเจียวเวลามันรักก็อย่ากหลงในความรักมันเกลียดก็อย่ากหลงในความเกลียดมันสุขก็อยาหลงในความสุขมันทุกข์ก็อย่ากหลงในความทุกข์วันนี้ก็เป็นวันธรรมชาติเป็นข้าวกายศายตสตร์ภาษา กลางๆหรือว่ากายศาสตร์ตอาษาภาคเหนือหรือว่าสลักกับพัดภาษาทางใต้หรือวบุญตายายใช่ไหมใครอยู่ทางใต้ไหมอ่าบุญตายายถ้าทางตอนเหนือของเราล่ะสลักกับพัด งานบนวันนี้พระต้องเอาล่อน้าเขตนของเข้าวัดกันแล้วเธอวมึงเลยเนี่ยเขาไม่ทำมันเดียวนะเพราะพระมีน้อยคนศรัทธาบ้านหนึ่งสองล้อยสามร้อยหลังคาเรือนฉลากกระพัดเกิดขึ้นทุกคนต้องทำบุญแต่พระน้อยเวลาพระน้อยก็ต้องให้เอา รวมกันวัดนี้เอาวัดนี้วันนี้เอาวัดด้านเอาวันนี้วัดด้านเล่ยไปก่อนตลากาพัดจับฉลากมีพระที่รูเปเห็นว่าวัดเราก็มากหน่อยพอที่จะวัดเบี่ยงกับชมชนได้แต่ถ้าเอามาจับฉลากใน mm hmm. เต็มทีแล้วบ้านเราสี่สิบหลังคาพระ อ, อาจจะมากกว่า <laughs> <laughs> แต่บ้านบางบ้านเน่ยพระได้น้อยบ้านใหญ่จับฉลากกระพัดไอ้ไอ้าวบ้านมาจับฉลาดแต่ได้พระโล่ได้เขียนใส่บาทฉลากจับเอาไปแต่ว่าพระมีสามลูกสี่ลูกนะคนนั่งสองร้อยคนจับมันก็ุฎเอาจับ สามข้างคนสามรออคนจับสามข้างเพราะว่าพระไม่น้อยเออพูดไม่ถูกจับยังไง <c oughs> ว่าจับได้พระสี่จิบห้าบคนต่อพระรูปเดียวแล้วก็มากันมากนะสลกากพัดของเขานะเขาไม่ทำน้อยๆนะนีทุกอย่างเลยตานองพราหอมที่นอนหมอนมุ้ง หงตาเคยไปรับเหมือนกันเนาะได้ใส่รถเข็นนาบัสบางทีใส่ไหมหลวงตาไปรับที่จะไม่มงเลยนะ้วมีสล่งให้ด้วยสลงพระไหมงามนะลองตา อ, องหนึ่งนั่งใกล้ๆแล้วแล้วเห็นของกล่องของหลวงพ่อมีสลงเอาตะขิดหลวงตา ผม ข, ขอเปลี่ยนฉลองเลยนะเขาเปลี่ยนฉลงองจะขอเปลี่ยนฉลองเอาอะไรก็ได้ผ้าหม่มหนวมก็ได้เอาได้ก็ได้เดี๋ยวเดินะเอาไว้ก่อนเอเขาสเไปเสิร์ก็น้างตาก็ให้เอาเขาจอาาาอาขาลองไปไม่ต้องเปลี่ยนเอาไปเลยเอาล่อย่ามเขียนมาอะไรแต่เดียวนะะหลักกระพัดนะ้าบ้านภาคใต้กร บ, บนตายาย คนตาใ่ก็ทําทุกอย่างบ้านรัลว่ากาศรราสตธรรมดาธรรมดาแจกข้าวสาเข้าวสากตอนเช้าตอนกลางวันไม่มีไม่มีกล่องข้าวไม่มีนะเป็มโตนะให้เดินห่อข้าวห่อข้าวน้อยห่อข้าวใหญ่แต่ไม่โบราณแม่นไหมอ่าห่อข้าวใหญ่บางให้พระห่อข้าวน้อยไปแจกข้าวนี่เลย ว, ว่า ตามประเพณีอของคนวิชาญบ้านเราเป็นประเพณีเสืบกันมาตั้งแต่สมัย ข, ข้างพุทธเก้าไม่ต้องเล่าในทานเดี๋ยวให้กาโน้เทศตอนแจกขาาก้าวสาด้มีขาานะ้าวสากเพราะว่าเน้องบะมี่ก <laughs> ่อนบอกไงอ่าวสองคนเจริเวลาถ้าจอง พุทธจักราษาสันสินประกาศินว่า